คืออย่างแรกเนี่ยก็ต้องจัดสรรเวลาก่อนจัดสรรเวลาให้ดีว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเช่นการทำอาหากินก็อันหนึง่งการให้เว<ม>การมีเวลาสาหรับครอบครัวก็อันหนึง่งแล้วการมีเวลาสําหรับตัวเอง ตัวเองนี่ก็รวมทั้งการพักผ่อนรวมทั้งการศึกษาปฏิบัตินะก็ต้องก็ต้องคิดต้องแยกกันว่าเราต้องมีชีวิตต้องมีเวลาทำอะไรบ้างเพราะบางคนเนี่ยเขาเขาไม่ทันได้คิดเนะ่เขาก็ปล่อยให้สถานการณ์ลากพาไป มันก็ต้องลงเลยตรงที่หมดเวลาไปกับงานกับการไอ้ถ้าตัวว่าเราเราคิดชัดว่าเออเรามีเวลาสำหรับการงานด้วยครอบครัวด้วยสำหรับตัวเองด้วยสามอย่างนะมันก็จะเรา ก, ก็ต้องคิดว่าเออการงานเราจะให้เวลาสักเท่าไหร่วันลงกี่ชั่วโมงแปดหรือสชั่วโมงอันนี้ก็เยอะแล้วนะแชั่วโมงก็ถือว่าเยอะ เรามีเวลาสำหรับครอบครัวสักกี่มากราก็ต้องกาหนดถ้าคนมีมีลูกมีหลานนี่ก็ต้องให้เวลาเยอะหน่อยแล้วเวลาสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องกายเรื่องใจเรื่องกายก็คือการพักผ่อนการกินอาหารการรักษาสุขภาพเรื่องใจก็ าการรู้จักพักใจการทำสมาธิการศึกษาธรรมะครั้นี้เนี่ยถ้าเราจัดเวลาแล้วเนี่ยเราก็พยายามทำให้ได้ตามที่เราจัดสรรเวลาแต่ว่าส่วนบ่อยครั้งเนี่ย มันก็จะมีปัญหาว่าสถานการณ์พาไปมันไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่เป็นเรื่องงานการอย่างเดียวนะบางทอาีอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานการมันก็ดึงเวลาเร า, า, าไปเช่นความสนุกสนานนะอย่างมีมีโยมคนหนึ่งแกก็บอกว่าเนี่ยทำยังไงดีอาจารย์ตอนนี้เนี่ย หนังเกาหลีซีรีส์เยอะเลยดูดีวีดีดูซีดีทั้งคืนจนเช้าเลยไม่ใช่แค่ดูโทรทัศน์นะคือมันมีมันมีเป็นร้อยตอนเนี้ยนะดูวัเ น, นี้คนที่ถามนี่เขาก็สนใจทํามานะแต่ว่าพอ พอดูสักพอดูสักตอนนึงแล้วเนี่ยมันติดแล้วมันก็ไปใช่ไหมเพลินอันนี้เด็กวัยรุ่นก็เป็นเยอะแต่อาจจะไม่ใช่หนังเกาหลีอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นโทรศัพท์คุยกับเพื่อนหรือว่าเล่น f a c e b o o เนียอันนี้ก็เรียกว่าหรือเกมออนไลน์ตนนี้เกมออนไลน์นี่ก็ก็เป็นมากไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็เป็นใช่ม้ยเอ เอาไม่เป็นไรแต่ว่าอยาอย่าอย่าอันนี้ดีสาห ร, รับคนแก่สมองสมองได้ใช้สมองได้เอ็กซ์ไซส์ใช่หมองไปเห็นวไม่้ใช้แต่ลูกชายคนที่งเขาไปดูไอ้ผัเอางคนวันจารณ้ามเสร็จนก็เล่นกวาก็เล่นสากันแน่นแโ้ยทำแล้วมาเล่นแขูอเล่นแขกเองเอแ่จะนแกกัจน่อ้แม่ไ ไอพวกนี้เนี่ยเพลิดเนี่ยเพลิปุ๊บเดียวเช้าแล้ว <c oughs> โอ้มันกินเวลาเราไปเยอะงั้น <c oughs> เราต้องเราต้องแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเท่าไหร่ไอเรื่องไอเรื่องความบันเทิงอ่าเราก็ก็เป็นรถช่างชีวิตก็ให้เวลากับมันแต่อย่านานนะโทรทัศน์เฟซบุ๊กพวกนี้เนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งเวลา <c oughs> นะ แล้วก็ให้มีสติเพราะถ้าไม่มีสตินะมันก็เพลินแล้วของพวกนี้นะบางทีมันติดจนกระทั่งร่างกามันก็ร้องนะมันก็ปวดแล้วนะว่าไม่ไหวไม่ไหวนะแต่ใจนี่มันยังติดที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันมีมันมีผู้ชายคนหนึ่งติดเกมออนไลน์มากจนถูกไล่ออกจากงาน แทนที่จะเสียใจนะดีใจจะได้เล่นกันทั้งวันเลยทั้งคืนนะและ้วก็เล่นนะเล่นเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนข้าวปลาอาหารไม่กินบอกว่าแกเล่นติดต่อ36ชั่วโมงจนตายหัวใจวายตายช็อบตาย คือร่างกายเนี่ยอาจามาว่ามันมันตอนที่เล่นนี่ร่างกายคงจะปวดแล้วเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวหแล้วแต่ใจนี่นะมันใจมันไม่ยอมก็เมื่อคนติดติดยาติดยาเนี่อร่างกายมันคงไม่ไหวแล้วแต่ว่าหรือติดเหล้าเนี่ยร่างกายบอกไม่ไหวแต่ว่าฉันก็จะเอาฉันก็จะสูดฉันก็จะกินน่ะนะจนตายอันนี้อีกอีกลายหนึ่งนะเทศเกาหลีอันนี้มีตายเหมือนกัน ผมมีคนหนึงลูกอายุสามเดือนบอกว่าติดเกมออนไลน์มากไปเล่นไปเล่นข้างนอกที่บ้านนี่มันฝนใสยสัญญาไม่ดีมั้งหรือว่ายังงไ ร, รือว่าไม่ได้บรรยากาศไม่รู้ไปเล่นไปเล่ น, ไ ป, ลนไปเล่นที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยตัวลูกตายนะลูกตายเพราะว่าขาดอาหารแล้วขึ้นศาลศาลก็ตัดสิน จำพุกทั้งพ่อทั้งแม่เลยแต่ว่าปราณีหน่อยปราณีก็ให้ให้ติดสักหกเดือนพอเพราะว่ า, ายังยังคือไม่ไม่เจตนานะคือแกก็ไปเล่นนไะม่เอาแต่เล่นนอกบ้านนะกลับมาบ้านก็ลูกร้องก็ไม่สนใจและเกมที่ติดเนี่ยเป็นเกมเ ก, มเกี่ยวเรื่องการช่วยเด็กผู้หญิง <laughs> ช่วยเด็กผู้หญิงใน ซึ่งเป็นจินตนาการนะอยากจะไปช่วยเด็กในจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าลูกตัวเองนี่ไม่สนใจสามเดือนเองนะอันนี้คือมันติดทำงานนี่ก็เติดนะทำงานนี่ก็ติดพวกวกหหัคซีหรือเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเรื่องแบ่งเงินเราก็อันหนึ่งนะเรื่องเรื่องเรื่องใจก็อันหนึง่งคืองานมันเยอะนะงานเยอะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยรู้จักปล่อยวางบ้าปล่อยวางคือปล่อยวางที่ใจคือบางคนเนี่ยทำงานเสร็จแล้วนะแต่ว่าแบ่งงานกลับมาด้วยในใจ ในใจมันก็นึกถึงแต่เรื่องงานนะนึกถึงเรื่องงานเรื่องการเวลากินก็นึกถึงงานเวลานอนก็นึกถึงงานมันไม่ใช่นึกประปามันกังวลก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายคนเนี่ยนะไม่รู้จักปล่อยวางคืองานเยอะก็จริงนะแต่ว่าถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาอยู่กับลูกถึงเวลา อนอนก็วางครับอันนี้ก็จ ะ, จะช่วยได้แต่ว่าส่วนส่วนใหญ่เนี่ยแบกบไปด้วยใจเนี่ยมันแบกงานบางคนทํางานตอนเช้านะใจก็นึกถึงงานตอนบ่ายทํางานตอนบ่ายใจก็นึกถึงประชุมตอนค่ำทางานวันนี้ใจนึกถึงทำงานงานพรุ่ง น, นี้ถ้าอย่างนี้นะ เรียดเพราะว่ามันจะมีความกังวลคืองานวันนี้ก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมทำไมต้องไปเอาวันพุธนี้มาแบกทําตอนเช้าเนี่ยงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหยทําไมต้องไปแบ่งานตอนกลางวันตอนบ่ายอันนี้เนี่ยมันจะงานมันจะเพิ่มเป็นสองเท่าโดยเราไม่รู้ตัวคือตัวเนี่ยทำงานทำงานทำงานเช้าแต่ใจ น, นึกถึงงานบ่ายเนี่ยเพิ่มสองเท่าใช่ไหม วันนี้เนี่ยวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ให้ใจเราเป็นทุกน้อยลงคือว่าทำอะไรก็ตามใจก็อยู่กับงานทั้งหน้างานมันจะมีร้อยชิ้นก็ทําทีละชิ้นใช่ไหมงานมีสิบอย่างเนี่ยอย่าพูดไปกองทั้งสิบเนี่ยมาไว้ในใจงานมีสิบอย่างที่ต้องทําวันนี้นะก็ทําแต่เฉพาะงานที่อยู่ต่อนหน้า อีกเก้าชิ้นนี่วางเอาไว้ก่อนทำได้ไหมอีกเก้าชิ้นวางเอาไว้ก่อนลืมไปเหมือนก็มันไม่มีนะเพราะว่าบางหลายคนเนี่ยนะทำทำงานอยู่แต่ว่าใจไปนึกถึงอีกเก้าชิ้นที่อยู่ข้างหน้าเครียดทำทีละอย่างขนาดเวลาเรากินขนมเคก้กกินพิซซ่าเนี่ย ชิ้นมันใหญ่ใช่ไหมพิซซ่าเหมืนเค้กนเนี่ยจะกินนี่ต้อทำอยังไงอ่ะจะกินพิซซ่าต้างทำไงชิน้นใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเค้กนก็ต้องผ่ากันใช่ไหมผ่าก่อนกี่เป็นกี่ชิ้นแปดชิ้นหกชิ้นแล้วก็จิบทีละชิ้นกินชิ้นหนึ่งนี่กินขาเปล่าหมดนะต้องกินยังไงต้องกินทีละคมกินทีละคมขนาดของอร่อยนะต้องกินทีละคเลย แล้วงานซึ่งงานซึ่งมันไม่ใช่ของอล่อยเนี่ยทำไมเราถึงคิดจะสวารดมทั้งหมดเลยทั้ง9ชิ้น 6, 6ชิ้นนะแล้วยิ่งงานเราก็ต้องกินทำทีละททีละอย่างทาทีละอย่างนะอันนี้จะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยเบาลงคืองานเยอะแต่ใจมันเบาลงนะบางคนทำงานก็นึกถึงลูกที่บ้าน เวลาอยู่กับลูกที่บ้านก็นึกถึงงานเลยไม่ดีสักอย่างใช่เพราะนั้นวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือว่าวางใจให้เป็นอยู่กับปัจจุบันจะช่วยลดความกังวลได้แล้วก็แบ่งงานให้ดีนะแล้วก็ ทำเนี่ยอย่าอย่ารนอย่ารีมันจะเหนื่อยเร็วบางคนเนี่ยทารีบทําทำไมถึงรีบทําเพราะว่ า, า, างานอีกหลายชิ้นกำลังรออ ย, อยู่ใช่ไหมอันเนี้ยมันจะมันจะเหนื่อยง่ายก็ฝากเป็นแนวไว้นะ เดียด 明白，好吧。Bye. Bye. <Bye. S 1> คนเราเนี่ยก็ราะอาหารธรรมะนี่ส่วนใหญ่มักทําเพราะแรงขักคือทุกเนี่ยมันเป็นแรงผักให้เราต้องเข้าอาหารธรรมะพอไม่ ม, พ ม, มีพอไม่มีความทุกเนี่ยแรงขักก็น้อยก็เลยสบายสบายแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งคือแรงแรงดึงดูดคนเราจะทําแล้วก็ตามเนี่ยมันมีสองแรงแรงผลักแตแรงดึงดูดแรงผักนี่ส่วนใหญ่มาถึงสิ่งที่ เราเราเราไม่้ตั้งเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้เต็มใจแต่ว่ามันถูกผลักให้ต้องทําความทุกข์ความหิวความยากจนความทุกข์ทำให้คนต้องหาธรรมะความยากจนทําให้คนต้องทํามาหาเงินความหิวทําให้คนเนี่ยต้องขยันธรรมนี่เรียกว่าแรงผลักแล้วมันมีตัวหนึง่งอธรมาเรียกว่าแรงดึงดูวหรือว่าหรือว่าแรงดึงก็คือว่า เช่นความสุขเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามีความสุขใช่ไหมเราก็อยากจะทําเด็กเนี่ยขยันเรียนเพราะที่แรกทำเพราะความกลัวกลัวถูกลงโทษแต่ต่อมาก็ขียนเรียนเพราะว่ามันมีแรงดึงดูเช่นอาจจะมีรางวัลให้หรืออาจจะเพราะว่าได้รับคําชมใช่ไหม น, น้วแรงดึงดูดก็คือเป็นสิ่งปัจจัยไฟบัวที่ทำให้เราเนี่ยทำให้คนเราทำอะไรบางอย่างที่มันยากแต่ว่าเต็มใจทำเต็มใจทำเพราะว่าทำแล้วมีความสุขทำแล้วได้รับคํายกย่องทำแล้วภาคภูมิใจในตัวเองให้ทำบ้างเหมือนกันนะอย่าอย่าทำเพียงเพราะว่ามันมีแรงขับแต่ทำเพราะว่ามันมีแรงจูงใจแรงดึงดูดเช่นมีความสุข ที่ได้ทำใช่ไหมถ้าคนเราทํำแล้วเรามีความสุขเราก็อยากทําถึงแม้ว่านักเรียนเนี่ยถ้ามีความสุขที่ได้อ่านหนังสือมีความสุขที่ได้เรียนหนังสือเนี่ยถึงแม้ไม่มีการกู่ไม่มีการบังคับไม่มีการลงโทษเขาก็ยังไปเรียนเขาก็ยังค้นคว้าใช่ไหปิดเทอมเนี่ย เขาจะอ ย, อยู่เล่นนั่งเล่นที่บ้านก็นได้เพราะว่าไม่มีความจำเป็นไม่มีการบ้านแต่เขาก็ไปอ่านหนังสือเข้าไปห้องสมุดเพราะเขามีความสุขประการที่ได้ทำอันนี้แล้วเพราะเขามีปัจจัยแรงดึงดูดปฏิบัติธรรมก็เป็นการพยายามที่จะให้มันมีให้รู้จักแรงดึงดูด ก, ก็ บ, บ้างก็คือความสุขเช่นสอนคนเรามีความสุขนั่งสมาธิเรามีความสุขเราก็อยากทำใช่ไหม ทำไมเราอาบน้าทุกวันนะ่ะสมัยเด็กๆ เ, เราไม่อยากอาบน้าใช่ไหมแต่เราอาบน้าเพราะว่าพ่อแม่บังคับต้องตีหรือว่าครูอันนี้แรงผักทำให้เด็กต้องอาบน้ําแต่พอเราพอเราอาบแบบไปทําไมเราถึงอาบน้ําทุกวันใช่ไหมข้ออะไรถึงแม้ไม่มีใครบังคับพ่อแม่บังคับทำไมเราอาบน้าทุกวันทําไมเราถูฟันทุกวันข้ออะไรสดชื่นมีความสุขใช่ไหม วันไหนไม่ได้อาบนี่ปวดอึดอัดใช่ไหมอาบแล้วสบายเราก็อยากอาบใช่ไหมแต่ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเด็กๆมันไม่อาบเราอา บ, าบเพราะว่าถูกบังคับแต่พออาบไปแล้วเนี่ยมีความสุขสบายเราก็อาบไม่คั่นเนื้อคั่นตัวสุดคล่องแคล่วปลอดโปรงอาบสองวันละสองครั้งสามครั้งก็ดีใช่ไหมแล้วมาเชื่อมปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าหา ให้พบความสุขใช่ไหมแลเะเราจะทำเราก็จะทำเองถึงแม้เลยไม่มีความทุกข์นะแต่งแล้วตามมาคิด ว, ว่าใหม่ๆนี่ก็ต้องอาศัยความทุกข์เป็นแรงขับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่กำลังกาลังกาลังเขากำลังจี้ตูดเรา แต่เป็นความทุกข์ที่เราคิดว่าไอต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเช่นเราสบายๆแล้วไม่อยากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเราคิดต่อไปว่าเออต่อไปเนี่ยเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายใช่ไหมแล้วถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราพร้อมไหมถ้าเกิดเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเราเราจะทําอย่างไรหลายคนเนี่ยพอคิดว่าเออต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยก็เกิดความตื่นตระหนก ก็เลยเห็นความจะเป็นต้องปฏิบัติธรรมใพะุทธเจ้าตัดว่าคนมีสี่ประเภทท่านเปิดเป็นม้าสี่สี่ชนิดม้าชนิดแรกเนี่ยม้าที่มันที่มันให้ อ, อ่ม้าที่เทียมที่เขาใช้ลากรถลากเกวียนนะม้าบางชนิดเนี่ย เวลาเจอสารถียกประตักขึ้นมาเนี่ยประตักทุจกจักรใช่ไหมเวลาคนขีเน่เนี่ยโดยเฉพาะสารถียกประตักขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเงาเนี่ยเงาประตักนันก็รู้แล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาม้าบางชนิดเนี่ยต้องโดนทิ่มที่ผิวมันถึงจะรู้ว่าจะไปทางไหนม้าที่ต้องโดนประตักทิ่มถึงเนื้อ มันถึงจะรู้บางชนเนี่ยต้องโดนประตัดที่หถึงกระดูมันถึงจะรู้รู้จักแปลว่าคนสี่ประเภทเนี่ยก็คือหนึ่งบางคนบางคนเนี่ยเมื่อได้รู้ได้ข่าวว่ามีคนตายเขาก็เกิดความตื่นตัวหันเข้าหาธรรมะประเภทที่สองเนี่ยต้องได้เห็นคนตายถึงจะตื่นตัว ว่าโอ้สักวันเราก็ต้องตายนะเราจะประมาทไม่ได้ลนะประเภทที่สามเนี่ยคนใกล้ชิดตายญาติพี่น้องพ่อแม่ตายตื่นตหนกฆาตธรรมะประเภทที่สีเนี่ยตัวเองเนี่ยความตายใกล้เข้ามาถึงตัวก็ตื่นตื่นตื่นตัวขึ้นมาคนมีสี่ประเภท ประเภทที่จาะสารเสริญคือประเภทแรกคือว่าแม้มันจะจะยังพียแค่ได้ยินเนี่ยก็เกิดความสังเวชก็ธรรมะถึงแม้จะยังสบายอยู่สุขสบายดีอยู่ประเภทที่สองที่สามเนี่ยคือความทุกข์มันใกล้ใกล้ตัวขึ้นมานะประเภทเสียเนี่ยไม่เาเรียกว่าภาษาจีนรยว่าไม่เห็นลมไม่หลังต้ำตาใช่ไห ส่วนใหญ่คนจะอยู่ในประเทศที่สคือพอเป็นมะเร็งพอป่วยเนี่ยต้องเข้าหาธรรมะนะแต่บางคนก็ไม่เข้าหานะแต่หลายคนเนี่ยเขาหาธรรมะต่อเมื่อป่วยใช่ไหมต่อเมือม่อมีความทุกข์แต่ทําไมเราต้องรออ่ะในเมื่อถ้าเรารู้ถ้าเราตระหนักวความทุกข์มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่เราเห็นมันอยู่ข้างหน้าไกลๆนี่เราก็เตรียมตัวแล้วนะนะอันนี้พระเจ้าถึงแนะนําให้เจริญมรรคสติ การเจริญร้อนนัสเตตจะทาให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นถือว่าเรายังมีสุขภาพดียังมีเงินมีทองยังมียังเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีความทุกข์อะไรเลยแต่ว่าพอเราเจริญร้อนนัสเติเราก็รู้ว่าสวรรค์นหนึ่งเราต้องตายสวรรหนึ่งเราต้องพัดผ้าสูญเสียก็เกิดความตื่นตัวเกิดความใหม่ๆจะเกิดความกลัว ตายแต่มันทำให้เกิดความไม่ประมาทก็ทำให้เป็นแรงขับให้สนใจปฏิบัติธรรมทั้งๆ ท, ที่ยังหนุ่มสาวอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังมีสุขภาพดีอยู่นะทั้งๆ ท, ที่พ่อแม่ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าก็พยายามให้เวลากับท่านมากขึ้นแต่ก่อนนี้เอาแต่ทำงานเพราะคิดว่าพ่อแม่สบายดีแข็งแรงดนะีบางคนหนักกว่า น, นั้นบางคนนี่อ่นะ ไม่เคยช่วยงานบ้านพ่อแม่ต้องช่วยต้องทำต้องทำต้องทงานบ้านทุกอย่างก็มีคนถามว่าทำไมไม่ช่วยพ่อแม่เลยแจอายุสามสิบเป็นผู้ใหญ่บอกว่าพ่อแม่ยังแข็งแรงอยู่ก็ให้ทำงานไปก่อนมางทีพ่อแม่ทำจนเปนะ็นลมไอ้นี่คือคือคือลืมไปว่าคือประมาณเนี่ย คิดพ่อแม่แข็งแรงแล้วเพราะนั้นเนี่ยจะไม่สนใจพ่อแม่ทําอะไรแล้วก็ทำไปหรือจีบหัวใช้พ่อแม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดตระหนัโอดพ่อแม่วันดีกคืนเนี่ยอาจจะไปก็ได้นะเราก็ทำเกิดความตื่นตัวดูแลท่านอันเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้ผลข่ายปฏิบัติธรรม มันเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ฉลาดใจเราเคยได้ยินหลายคนมักจะพูดนะว่าจะเคยได้ยินมีหลายคนพูดว่าปฏิบัติธรรมทำไมในเมื่อวันนี้ฉันก็สบายอยู่แล้วจัก็มีความสุขอยู่แล้วจะปฏิบัติธรรมทำไมเคยได้ยินนะคนหลายคนมักจะพูดแบบนี้อันนี้เขาลืมไปว่า วันนี้สุขก็จริงวันนี้สบายก็จริงแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะมีปัญหาวันนี้สุขสบายไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่เจ็บไม่ป่วยวันนี้สุขสบายไม่ใช่แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่ตายใช่หหรือว่าวันนี้สุขสบายไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ธุรกิจจะไม่มีปัญหาจะไม่สูญเสียคนรักสูญเสียลูกสูญเสีย สามีภรรยาถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดแรงกระตุน้นว่าเออวันนี้สุขสบายก็จริงแต่พวกนี้อาจจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นฉันต้องอยู่เฉยไม่ได้นะฉันต้องเพียรพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเราพร้อมและขณะเดียวกันก็ผลขวายทำความดีเพื่อที่จะ อ า, ายบุญกุศลเนี่ยเป็นที่พึ่งในยามที่ประสบทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็ก็ฝากไว้สองเรื่องหนึ่งต้องต้องต้องสัมผัสกับความสุขจากการปฏิบัติมันจะเป็นแรงดึงดูดให้เราเนี่ยผลฝายอันที่สองเนี่ยต้องสร้างกระตุ้นให้เกิดแรงผลัก ด้วยการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตพระจ้าเรียกว่าอนาคตภัยภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ความแจกความเจ็บ ค, ความตายความพังพ่ายสูญเสียความวุ่นวายในบ้านเมืองพวกนี้เรียกอนาคตภัยซึ่งถ้าวันนี้ยังไม่เกิดดีแล้วหมายความว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้เวลาที่ดีเนี่ยทาความดีสร้างบุญสร้างบุญศรัทอาธรรมะ ถ้าไปถึงตอนนั้นเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันวุ่นวายนะเช่นแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีเรื่องไม่มีแล้นะปวยแล้วเขาเขาเขาว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันลำบากทุกคนเลยหรือว่าบ้านเมืองวุ่นวายถึงค่อยเข้าว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแล้วใช่ไหมลองคิดแบบนี around, grass, right? well, ่บ้างคิดถึงอนาคตปลายหาประการนะความแก่ความเจ็บความตายหรือความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือว่าเข้ายางหมักแพงอันเนี้ย ก็จะช่ว้ จริงเนี่ยตอนที่การไหว้ํานแบบทุกคุว่านี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าอีกอันนึงที่อยากะแนะนำก็เวลาไหว้เนี่ยก็ไม่ต้องสมนมนก็ได้ให้มีสติอยู่กับการไหว้ใจยอยู่กับการไหว้ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรรับรู้รับรู้สัมผัสที่เกิดขึ้นไม่ต้องละเอียดนะให้ใจยอยู่กับการไหว้นะแล้ว เ อ, เอาวิธีนี้ไปใช้กับอย่างอื่นด้วยเวลาเดินเวลาทําอะไรเนี่ยก็ให้ทําให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นอาบน้าําถูฟันกินข้าวซักผ้ากวาดบ้านนะฮะไม่ต้องสวนมล น, นะให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นแต่สมาคิดว่าถ้าทํานี้เนี่ยบ่อยๆเนี่ยเวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณจะนั่งง่ายๆขึ้น แต่ที่จริงเนี่ยจะนั่งสมาธิใหม่ๆไม่ต้องนั่งนานก็ได้5้านาทีสิบนาทีก็พอปกติคุณนั่งถ้านั่งนั่งนานเท่าไหร่ก็่อ๋อ อ, อ, อย่าเลยเอาก็ถ้าคุณนั่งชั่วโมงก็อบางโยกโยกแล้วอาตมาว่าสิบนาทียี่สิบนาทีนะคือทาทำ ทำทำน้อยน้อยแต่ทำทุกวันคุณจะได้อา น, นิสงส์นะทำทุกวันแต่ทำทำน้อยน้อยนะแล้วมันจะเพิ่มขึม้นมาเองถ้าคุณเริ่มต้นจากหน่ชั่วโมงนึะมันก็จะค่อยค่อยลดเหลือห้นาที40สินาทีแล้วก็ค่อยค่อยห่างไปเรื่อยเรยค่อยคห่างเลยจากทุกวันเป็นสองวันสมวันมีลายหนึ่งนะเป็นเรื่องอมีเพื่อนเนี่ย วัยรุ่นเนี่ยพามีผู้ชายคนเนียพาเพื่อนมากราบหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูนี่มร้อนหน้าภาพไปแล้วนะท่านาท่านดูอุตสิยานะปัดท่านมารอหน้าไป1 0 20ปีแนละ้วเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนที่ไปรู้สึกหลวงปู่ดูเนี่ยก็แนะนำให้หลวงปู่ดู รู้จักเพื่อนเขาซึ่งนะแล้วก็เพื่อนคนนี้เนี่ยก็ชวนให้ผู้ชายคนนี้ก็ชวนให้เพื่อนเนี่ยนั่งสมาธิสมาตรับศีลแล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่าเขาก็บอกว่าผมนั่งไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเนี่ย ดื่มเหล้าเป็นประจำใช่ไหมผมนั่งไม่ได้หรอกผมกูดูก็บอกว่าแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องแกแต่จะนั่งสมาธิให้ได้ไหมห้านาทีวันละห้านาทีเขาก็บอกได้แบบนี้ถ้าวันละห้านาทีก็ได้คือหลวงปู่ไม่หลวงปู่ดูเนี่ยท่านท่านไม่ว่านะจะกินเหล้าก็กินไปแต่ว่านั่งสมาธิไดไ้วันละห้านาทีก็ กะเป็นคนจริงนั่งสมาธิทุกวันบางวันพอนั่งไปนั่งไปเนี่ยเกิดชอบก็นั่งไปสิบนาทีบางช่วงขณะที่กำลังนั่งอยู่เพื่อนมาเรียกกื่เหล้าไม่ไปกำลังนั่งอยู่นะนั่งไปนั่งไปบอกว่าสุดท้ายเลิกเล่าได้นะเลิกเล่าได้ เพราะว่าอะเพราะว่านั่งสมาธิแล้วมีความสุขแล้วสุขจากสมาธิมันดีกว่าสุขจากเหล้าเยอะใช่ไหมเห ล, ล้าตอนหลังก็บดพระคือหลวงปู่ดูนี์ท่านก็ฉลาดนะคือท่านถ้าไม่เรียกร้องเยอะถ้าไม่ไม่จู้จี้ว่าเอ้ยจะนั่งสมาธิต้องสมาทานศีลก่อนท่านบอกไม่ต้องอะนะเพราะว่าคืออย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่ัมน่นนั่งสมาธิหรอกใช่ไหม คือท่านบอกว่าอย่าให้อย่าอย่าให้การกินเหล้าเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมใชคือกินเหล้าก็ได้แต่ขอให้ลองทำอะไรสักอย่างดีๆไอ้เป็นตัวอย่างว่านั่งสมาธิห้นาทีเนี่ยทุกวันเนี่ยอนุสงเวอรนะเพราะนั่นเนี่ยอย่านั่งถึงชั่วโมงเลยนะเอาจากสิบนาทีก่อนนะสิบนาทีทุกวันแล้วก็ทําแบบเทตมาว่าคือใช้ วิธีการเจริญสติกับการว่ยน้ำเจริญสติกับการทำงานเนี่ยเอามาใช้กับการนั่งสมาธิแล้วคุณจะพบว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยก็จะให้ความสูงได้เล่แทนการไหวยน้ำโอสมาธิได้ยงจอในาะตา้ก็ทอำได้หลายอย่างจะสกุตโทรก็ได้ หรือว่าจะนับ ห, หบ safer. นก็ได้หรือว่ยาจะรับแค่ร mm ู้สึกเฉยๆก็ได้ต้องาตาแาเนาูไปที่ได้ค้เออลึนิ้วเออกอนแม่กรเรื่อยๆออไอแนแม่เแม่กเล่นไอแคุกทีแม่กตนนีให้มีสติทำอะไรก็มีสตินะจะยกมือกยกมือเคลื่อนไหวคึงนิ้วกระดิบนิ้วคลิกมือไปคลิกมือมาได้ทั้งนั้น หรใช้ลมหายใจก็ได้นั่งกวยไอ้ไอ้วาืนมาอยู่รอบนะแต่แรกหลบไจะขับกป็นยาาปนยารสุดด้วยแล้วเงนาไ่าเขาไปขับปแคนเียอไปด้วยเบ์ภาพสองชุยอาจารย์มีนตเป็นนนเนใช้มดเขาเป็นอวอาจารย์แม่ เมื่อันนี้เปล่นเลิยอันนี้เนกวานนสบายใจรอ่าอาจารย์ผูกโซนมีนีกขนรกกับแม่้องไห้คุณแม่ไปดูหนังด้วยกันนะของอาจารย์อมพอ๋อจอพลจอมพอมพลจอมพลมพอมพลพลี่แล้วก็อาจารย์นไปเทียวที่ว่าไปเที่ยวภูเก็ตาล้วก็สามีอ่าทิตินาเหรอทิตินาอ่าสมัยนั้นยังไม่ดังสมัยนั้นยังไม่ดังตอนนี้ดังละ อาจารย์ปูอาจารย์ปูเสีจก้าเสหันก52 52ปีแล้วน่้ายี้บอว่าเป็นอาจารย์ปูแลแม่เสียใจากอาจารย์สติโตกมากมาอาจารย์เสียบไปบอรอา้ัน้สุขันคุณสุนทร์ตาานีเลยะบิ่ใช่ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติทำอย่าเอาแต่ทําอย่าเอาแต่ให้ทานให้ทานก็ดีนะทำบุญแับให้ทานก็ดีแต่ว่าต้องปฏิบัติทำเพราะว่าต้องวางใจอ๋อดีดีแล้วว่าต้องปฏิบัติทำดีแล้วดีแล้วเขาเป็นอะไรโง่ไปหมดทำให้แม่เลยต้องต้องทำที่ใจด้วยให้ทานนี่คือการทําความดีด้วยวัตถุเราต้องทําความดีด้วยใจหรือสมาธินอน ใระจไม่เปลี่ยนไงการไม่ต้องเปลี่ยนด้วยทีเนียเราเาลังดูแลเป็นเป็นเนื่องอกตอนแรกบอกว่ามันเชาอะไรงี้ยเป็นเนื้องงอกี่ลงได้พอสถานก็บอกว่าเป็นองที่ลุง้วยนั้นก็ต้รงทำมาแน่เป็นอ่ม่ายกว่าจตัดต้นไส้นอันตรายอยากแตนำเข้าไปโรงพยาบาลอาหารามารถทำกับลูกเองนะคุณหมอที่มาแตก็รับตา ลอง้องขอากตัดใจช่วยซื้ยาาคะรักษาภาะ่ิดทามากมานะมบรมากหมอวัฒนาอุลมีอะไรถาม มีความคิดอย่างไรเนี่ยก็ดีโดยเพราะที่คุณพูดมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีพราพ่ อ, พอแม่ส่วนใหญ่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยมาบวชบวชนายก็ไม่ชอบกลัวลูกจะลําบากนะแต่อย่างแล้วก็ตามเนี่ยเขาต้องตระหนักแล้วก็ต้องตระหนักว่าเขาก็มีวิจิตทางของเขาลูกไม่ใช่ของเราใช่ไมถือไหมว่าคือมาไม่ใช่ของเราเพราว่าเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับเป็นชาตจิตใจก็ได้ แม้แต่ร่างกายเราเลยยังบังคับควบคุมร่างกายเขาไม่ได้เลยใช่ไหมบางคนพอมบางคนอ้วนเราก็ต้องให้เขาตัดสินของเขาเองเราเพียงแต่บอกว่าอะไรเราเพียงแนะนําว่าอะไรดีอะไรถูกให้เขาต้องเลือกเอาถ้าเขาอยากจะบวชก็เพราะเขาตัดสินใจของเขาเองและเขามีความศรัทธาด้วยตัวเขาเราเป็นเพียงผู้ชีแ้แนะแต่อย่าถึงกับยัดเยียดหรือครอบงา เพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีก็เหมือนกับแมวนะแมวเนี่ยสังเกตว่าเราเราเราเราลากหางมันมาข้างหลังเนี่ยมันก็จะไปข้างหน้านะมันจะทําแมวนี่มันจะทําตรงข้ามกับที่เจ้าของต้องการเสมอเด็กเนี่ยนะยิ่งไปยิ่งไปงอ่ะผักด้านนี้ไปมันจะกลายเป็นการดันเตียยเขาจะทำตรงข้าม อย่างที่เราไม่เคได้ยินว่ายิ่งข้ามเหมือนิ่งรู้ใช่ไหมบางทีการพ่อแม่ที่ไปเข้มงวดกับลูกมากอาจจะเข้มงวดในเรื่องของการเรียนเช่นเข้มงวดในเรื่องของของของธรรมะเรื่องศีลธรรมหรือเข้มงวดในเรื่องความเป็นระเบียรลูกที่เกิดลูกที่ลูกที่โตขึ้นจะเป็นตรงข้ามบ่อยไปเลยลูกไม่เป็นระเบียรลูกไม่ตรงเวลาหรือว่าลูกไม่เขียนเรียนลูก ชอบชอบเที่ยวเสเพอะไรเงี้ยหรือบางทีโดยพราะลูกพอพอเข้าไว้รุ่นเนี่ยเขาะจะมีลักษณะต่อต้านหรือว่าทําตรงข้ามกับที่พ่อแม่ต้องการบ่อยมากซึ่งที่จริงก็ไม่แปลงนะใจเราก็เป็นความเมือนกันใจเราเนี่ยเวลาเรามีความโกรธเนี่ยเรากดขมความโกรธเนี่ยมันยิ่งโกรธเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากสงบ เราไปกดข่มใจไม่ให้ไม่ให้ฟุ้ง ม, มันกับยิ่งฟุ้งไอ้ลูกเราเี่ยกับจิตใจเรานี่ไม่ไต่างกันเล ย, เลยคือว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งูยิ่งกดข่มยิ่งผักสายก็เหมือนกับยิ่งยิ่งยิ่งทำเอาเคยมีการทดลองนะเอาเอาอาสาสมัครนี่มา น, นั่งแยกมา น, นั่งอยู่อยู่ในห้องคนเดียว เราก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะห้ามคิดอย่างเดียวห้ามคิดถึงหมีขาว<ม>ถ้าคุณคิดถึงหมีขาวนี่คุณกดกลิ่นเลยนะ<ม>ให้โจนี<ม>้มไม่ทลายอะไรกดกลิ่นนันใหญ่เลยคือท<ม>ําไมบอกทําไมห้ามนะั่นมันก็ไม่คิดหรอก<ม>แต่พอห้ามมันคิดหายเลยไอ้หนีขาวก็มีใครคิดเยอะหลืหอหมีขาวนะพอพูดอย่างนี้นะมันยิ่คิดใหญ่เลยเด็กจิตใจเราเป็นอย่างนี้นะคือยิ่งห้ามมันยิ่งยุ่ง แล้วลูกเราก็ก็เหมือนกันเพราะนั่นเนี่ยจะใช้วิธีบังคับหรือว่าควบคุมทือๆเนี่ยหรือจ้ำจี้จ้ำช้เนี่ยบางทีมันให้ผลตรงข้ามอาัตมาเจอลูกหลายคนแล้วที่พ่อแม่กับลูกเนี่ยไปผ่าทาดลูกนี่พ่อนี่เป็นเจ้าระเบียบลูกนี่ไม่มีระเบียบเลยแม่มีตรงเวลาลูกนี่ไม่เอาไม่ตรงเวลาเลยนะ หรือว่าอแม่นี่พ่อแม่ทำมาทำโมมากลูกนี่โอ้ยเออ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่นี่แหละเป็นปัญหาคือไปบังคับเด็กเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวนี้เป็นเนี่ยแต่ว่าลืมคิดว่าเด็กเนี่ยมันเขาก็จะพอเขา้เขาถูกดัดเดี่ยว ม, ม, มากๆเนี่ยเขาจะต่อต้าน โดยเพราะเขจะแสดงตัวชัดเจนเวลาเขาเป็นวัยรุ่นแต่ทําของทัพเด็กตอนเขาไปก็กาปว่าะจะไม่กล้าแสดงออกแต่เขารู้สึกนะอาตมาเนี่ยอยู่อัลโดนเลียสัมชันนะโดยสัาชัททนที่เจ้าระเบียบมาก <c oughs> เด็กกับสัมชันหลายคนไปตรงข้ามเลยนยไม่ตรงเวลาอเอาเด็กสัมชันี่ตรงเวลาถ้าไม่ตรงเวลาเนี่ยคือถูกตีนะถูกตีถ้ามาสายเนี่ยแค่นาทีเดียวก็คือถูกลงโทษนะ แล้วเด็กสัมผัญหลายคนเนี่ยจะตรงข้ามไม่ตรงเวลาไม่มีระเบียบเอราะฉ่นั่นอาจารย์เ่าต้องใช้ต้องมีกุศโลบายเพื่ อ, ค, อค่อยตลลอมต้องทำให้เขาเนี่ยเห็นด้วยตัวเขาเอง เร่อเป็นระเบียร์เรตรงเวลาเรื่องการทำความสะาอาดการรับผิชอบเข้าของอะไรเงี้ยนะเรื่องเช้จง เ, เวลาเนี่ยแทนที่เราบอกให้บงังคับให้เด็กตรงเวลาเนี่ยเราก็า จ, จะเวลาเด็กไม่ตรงเวลาก็ลองถามว่าถ้าถ้าถ้าหากว่าเราถ้าถ้าลูกเนี่ยไปไปนัดเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ตรงเวลาเนี่ยลูกรู้สึกอย่างไรใช่ไหม เขาก็จะเรื่อมเออการไม่ตรงเวลานี่มั น, มนเวลาเพื่อไม่ตรงเวลาเขาก็รู้สึกไม่สบายไม่เขาก็รู้สิกไม่พอใจกันนะใช่ไหมเพื่อเขาเห็นว่าอาการการที่ไม่ตรงเวลาเนี่ยมันก่อปัญหาอย่างไรเวลาพขากินข้าวแล้วไม่ล้างจานเนี่ยมันก่อปัญหาอย่างไรถ้าเป็นเป็นเขาเองที่ต้องล้างจานแต่ไม่ใช่บอกว่าให้ล้างจานล้างจานใช่ัหม คือต้องให้เขาเห็นด้วยตัวเองด้วยการตั้งคำถามสมมุตินะตั้งคำถามว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรคือถ้าเด็กเขาคิดเริ่มคิดด้ตัวเองเนี่ยเขาจะค่อยๆทำด้วยเหตุผลของเขาไม่ใช่เพราะการบังคับของเรา ก, ก็ก็ไม่ผิดเมื่อกี้ก็ตมาก็พูดอยเรื่องเรื่องแรงแรงดึงดูดกับ แ, แรงขับดันบางคนไปวัดลูกไปองคนไปวัดลูกเพราะกลัวถูกลงโทษแต่ว่าไปในตอนนี้เราให้ลูกไปวัดเพราะว่าลูกจะได้รางวัลใช่ไหมแต่ว่ามันมีรางวัลที่ดีกว่านั้นที่ไม่ใช่เป็นของอาจจะเป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจต้องให้เด็กได้เขาได้สัมผัสกับตรงนี้ เด็กบางทีเนี่ยเขาบางทีเขาเขาไม่ได้คิดนะแต่พอเราเราเราให้เขามองกลับมาที่ใจของเขาเนี่ยบางทีเขาก็ เ, าเห็นเขาเห็นว่าการทําเช่นนี้เนี่ยมันมีความสุขมันน่าภาคภูใจสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราควรจะช่วยช่วยก็คือช่วยเขาเห็นใจของเขาเวลาเวลา เวลาเขาอยากแล้วเขาไม่ได้อย่างที่อยาการู้สึกอย่างไรมีตัวอย่างเนี่ยมีแม่คนหนึ่งเป็นเพื่อตา ม, มาแกตอนนั้นแกมีลูกแกอายุสิขวบเป็นผู้หญิงวันหนึ่งลูกก็มาที่บ้านกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็บอกแม่ว่าแม่หนูอยากได้อยากได้เงินไปซื้อของของเล่นของเล่นเป็นอะไรเอก็เป็นไบโคลโฟน กดแล้วมันร้องเพลงได้อันนี้มาสิบกว่าปีที่แล้วนะมนสมัยนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบแบบวัยรุ่นปัจจุบันนะแม่ก็ถามว่าเท่าไหร่เกตก็ตวัดสี่ร้อยบ้านนี้เขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะใช้เงินอย่างประหยัดนะแม่ก็ตกใจว่าเงินเงินเยอะไปปกติเวลาแม่เจอแบบนี้เนี่ยก็จะทำสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอาทีตหนึ่งก็คือว่าไม่ให้เลย อที่สองคือให้เพราะตังลรำคาญแต่ว่าแม่พูที่บอกว่าจะให้ก็ได้ะแต่มีเงื่อนไขสองอย่างหนึ่งก็จะหักเงินค่าขนมลูกวันละครึ่งหนึ่งจนกว่าจะครบส0 0ร้อสองทุกวันเนี่ยก่อนลูกกลับมาลงกลับกับจากโรงเรียนเนี่ยให้ไปดูของชิ้นนั้นแล้วก็ดูใจลูกตัวด้วยลูกทำได้ไหมลูกก็เอา ทำไม่ได้แสาสี่วันคือกำหนดให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ทำได้สามสวันลูกสาวก็มาบอกแม่ว่าแม่หนูไม่เอานะทำไมละ่ะเบือบ่อเบื่อคือพอไปแต่ว่าเนี่ยเอาเงินสี่ร้อนี่เอาไปทำอื่นดีกว่าคือพอแกที่แกมีความอยากใช่ไหมการบ้านของแม่คือว่าให้ไปดูของชิ่นั่นแล้วก็ดูใจของตัวเองพอไปดูใจ็ีความอยาก ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยความอยาบก็ฝ่ออความธรรมชาติของจิตนะเวลาเวลาเวลาไปรับดูความอยากคือมีสติเห็นความหยาบมันก็จะฝ่อเองแล้วเวลาเราโกรธเนี่ยเราพอมีสติไปดูความโกรธเนี่ยความขุ่นมันก็จะฝ่อลงไปใช่ไหมอันเนี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความอยากแต่ว่ า, วาเป็นเรื่องของการทําความดีก็ให้เด็กเข้าเห็นว่าเมื่อเขาทาเขารู้สึกอย่างไร เขาทำแล้วเขาสึกภาคภูมิใจทีม่มีความสุขมันก็จะเป็นแรงจูงใจทําให้เขาอยากทำความดีหรือเด็กทํากันบ้านทํากานบ้านด้วยตัวเองแล้วทำสาเร็จเด็กรู้สึกอย่างไรเด็กก็บอกภูมิใจก็ทําให้เด็กเกิดแรงจูงใจหรือแรงดึงดูดที่จะขยันทากันบ้านด้วยตัวเองเพราะว่าได้ความภูมิใจเป็นรางวัลส่วนไอ้รางวัลที่เป็นวัตถุเนี่ยเป็นของเสริม ต่อไปไม่มีก็ไม่เป็นไรเด็กก็ยังเอออนเนี้ยแต่ว่าเด็กจะไม่รู้ไม่ไม่ไม่เห็นความภูมิใจถ้าเราไม่ช่วยชี้นะว่ารู้รู้สึกยังไงให้เข้ามาดูใจของตัวใช่ไหมไอ้ น, นี้เด็กเนี่ยเราต้องต้องชี้ที่จริงผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่เราส่งจิตตออกนอกนะอาตมาทําเช่นนี้เนี่ยกับกับแม้กทั่งวัยรุ่นนะไปทาจิตอาสาเนี่ย ทำจิตอาสาเนี่ยเราจะไม่ทํำเฉยๆนะทําเสร็จแล้วต้องมานั่งคุยกันว่าทําแ ล, ล้วรู้สึกอย่างไรคําถามหนึ่งเลยหนึ่งคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณได้แง่คิดอะไรบ้างจากการไปทําเช่นไปปลูก ป, ปา่าไปช่วยเด็กกาพร้าไปช่วยคนแก่คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างได้แง่คิดอะไรบ้างมันก็บอกว่าได้แง่คิดอะไรต้องเนี่ยสงสารพ่อเลยนะแต่กว่ น, นี้เรา อยาเราไม่ค่อยสุภาพของพ่อเราอ่ะเราไม่ค่อยดูแลพ่อเราเลยเอาแต่ใจตัวความเห็นงี้เนี่ยคิดถึงตัวเองต่อไปเราเป็นยี้บ้างจะทำยังไงสองรู้สึกอย่างไรได้ง่คิดอะไรแล้วหรือได้เรยวรู้ อ, อะไรแล้วสองรู้สึกยังไงภูมิใจมีนี่ผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยไปปลูกป่าที่วัตดตะมาสามวันช่วงวันแม่ ทุลักทุเลมากฝนตกสมัยนั้นครูหลงเนี่ยวันไม่มีกุฏิเยอะเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกุฏิเยอะต้องนอน 80-80 คนนอนในศาลาไอ้อันจัตนานวันสุดท้ายเนี่ยปลูก ป, ป่าสองวันวันสุดท้ายก่อนจะกลับกรุงเทพแล้วเขามานั่งตั้งุมร้อมวงคุยกันเนี่ย80คนก็ถามรู้สึกยังไงเดี๋ยวคุณนึกบอก ว, ว่าเนี่ยวันแรกที่เขามาเนี่ย อยู่หน้าวัดมองไปที่มองไปที่ ท, ทุ่งไล่มันสัมผัสหลังมันเวิร์กว่ะเห็นแต่ต้นไม้ต้นสูซมอยู่สองสามต้นเนี่ยสงสารต้นไม้มันไม่เหลือเพื่อนเลยแล้วก็รู้สึกสงสารตัวเองว่าเราเนี่ยเหมือนก็บต้นย้าคือไม่ทําอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งแวดล้อมที่มันถูกทําลายไปแต่หลังจากได้ไปปลูกป่าสองวันเนี่ย วันที่สามู้สึกว่าเขาเป็นเขาไม่ใช่ต้นยาแล้วเขาเป็นต้นไม้คือรู้สึกนี้เรื่องมีแลนหอันนี้คือถ้าถ้าเราไม่เราไม่มามาจัดเวลาให้เขาคุยกันให้เขามาไต่ตรองความรู้สึกนะเขาก็จะไม่เห็นและเขาก็จะไม่ได้แบ่งปันให้คนอืนได้เห็นด้วยหลายคนฟังก็ เ, เกิดกำลังใจนะไมต่ต่มาคิดว่านี่ขนาดผู้ใหญ่นะบางทีเราก็ต้อง ห้องหาเวลาต้องโยนคำถามให้เขาเนี่ยกลับมาแต่ตองดูใจตัวเองยิ่งเด็กยิ่งจำเป็นใหญ่เลยเราไม่ต้องบอกเขาแต่เราถามเขารู้สึกอย่างไรแล้วเราก็ถามไปอธิมายว่าจะช่วยทำห้เขาได้เห็นใจตัวเอง เร้เปู่แล้วเรเป็นได้อยู่ ขึ้นอยู่กับเครือข่ายพื้นท้องแล้วก็อาศัยสื่อเช่นสมมติว่าเช่น Facebook เ, เนี่ยสมมุติเราเกิดว่าประกาศไปนะว่าเนี่ยหนึ่งเช่นใครมีใครพิมพ์อยู่แล้วบ้างเราขอพวงด้ไหมหรือสองอใครที่เราสนใจจะพิมพ์ใครสนใจที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เรื่องนี้นาชว่าถ้าปรึกษาลือกันเนี่ยคงจะไม่ยากเพราะว่าในชีวิตรเรายังมีอะไรที่ยิ่อยาก่นี้เจอเพราะนั้นเนี่ยพิมพ์หนังสื อ, อจำนวนเท่าไหร่แสนบาทใช่ไหมร้านหนึ่งตมาว่าตมาว่าไม่ไม่ยากเกินความสามารถ แ, แ, แต่ว่าแต่ว่าก็ใช่ก็ต้องทำกับหลายคนไงทกับหลายคนแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องรอเป้าว่าต้องทำไปในปี 2-3 มปีนี้ ถ้าเร า, า, ถ, าถ้าเราทําถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยแล้วก็ไม่หยุดมันต้องสําเร็จแน่อาจารย์จะเล่าเรื่องหนึงให้ฟังนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่คือที่การพิมยนหนังสือพระธรรมมาที่มันเป็ น, เ ป, นเป็นงานที่สูงส่งมากแต่อามาจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งไม่รู้เคยไลฟ์ฟังมั้ยยังหรือเราคุณป้ากาหลีชาวเกาหลีคนหนึ่ง อัตมาดินฟังเรื่องราวแกครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีเมื่อเดือนกุมภา52มันเป็นข่าวเพราะว่าแกแกเป็นแม่ค้าขายผักแกต้องการใบขับขี่และแกสอบใบขับขี่มาแล้ว755 775ครั้งไม่ได้แกมาเป็นข่าวทีพฤศจิก52เป็นข่าวเพราะแกสอบได้แล้ว 950ครัมแค่ใบขับขี่แกยังไม่ยอมหยุดออย่อยอยาสอบถ้าทุกวันตั้งแต่ปี48ถึง52ใบขับขีมันจิบจ้อยมากเท่าเทียบกับการประการทาบุญอย่างที่คุณพูดใช่ไหมไอ้บุญไอ้ที่คุณทาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ปอสพประสัแต่ใบขับขีเนี่ยมันเป็นประโยชน์ใจว่าตัวแกใช่ไหม คนธรรมดาเนี่ยทําสอบสิบครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วใช่ไหมแกสอบต้องเกือบพันครั้งใช่ไหมแกท้อป่ะเมื่อสอบได้ห้าร้เมื่อสอบไม่ได้ห้าร้ครั้งแกไม่ทอ้อก็สอบอีกสอบทุกวันใช่ไหมในสมัยที่ว่า น, นี่ยลองเอาแกเป็นแบบอย่างว่าขนาด แค่ใบขับขี่ใบเดียวแกไม่ยอมเลิกง ม, มันก็เป็นความรับผิดชอบของคนอ่านถ้าคนอ่านจะตีความผิดมันก็เป็นความรับผิดชอบของคนอ่านนะที่เขาจะได้รับผลเสียจากการที่เขาตีความเช่นนั้นแต่ว่าตั ว, ต, วตัวผู้พิมพ์หรือแม้กระ่งผู้เทศเนี่ยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับการตีความผิดของเขาถ้าทํำด้วยเจตนาดีน่าจะมาว่าก็เป็นกุศลแล้วแล้วก็ยิ่งถ้าพยายามที่จะ ไม่ได้ทำเพื่อไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอว่าจะมาคิดว่าอย่าว่าแต่เรยๆแม้กระทั่งคําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยตีความผิดก็ยังได้ใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์พระุทธเจ้าถึงถึงถึงเอ่อถึงให้หลักเอาไว้ให้หลักเอาไว้เพื่อที่จะทําให้เนี่ยการพิจารณาคําสอนพรุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นไปในทางที่ผิดพลาด แต่ว่าอย่าอย่าอย่าคืออย่าไปคิดว่าถ้าถ้าสอนดีแล้วเนี่ยจะไม่มีการตีความที่ผิดมันก็ผิดจนได้แต่นั่นไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของของผู้เผยแพร่หรือผู้สอนอโยญาตสอัตมามอจารย์อัตมามีมาจอัตมามีหลายเล่มด้วย อ่ะมันไม่มีมิเบียร์เล่นใหญ่ออ่่ เรื่องนี้ตมาคิดว่าญาติโยมไม่มีตมาเห็นหนังสือหลายธรรมะหลายเล่มนะก็คนทําก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ว่าเขาก็อาศัยว่ายวายกันในหมู่เพื่อนฝูงมีจิตศรัทธาก็รวบรวมเงินเขาก็ทํากันเขาทาเขาเองนะปัจจัยก็ได้มาจากเพื่อนฝูงของเขาเองแต่หนังสือมันเยอะเขก็แจกจ่ายคนหนึ่งที่อยู่หน้าว่ายวนเขาเข้มาไอ้คุณท่านคิดว่าหนึ่งล้านมากไปก็ก็พิมพ์หนึ่งมเล่ม ก็ลดเหลือ 5,000 เล่ม 3,000 เล่มก็ยังได้เพราเพลงก็ยังอยู่ใช่ไหม ได้ถกมาได้ได้ได้ัง คนทีมเนี่ยตมากรู้จักทีม่าใช่ไหมธรรมชาพันธุ์ใช่ไหมคนทีมเล่มสื่อเล่มนี้ตมาก็รู้จักไอคนทีมคนทีมคนทีมคนทีมลงทีมอ่ะอ่าอาตมารู้จักก็ตมาเจอก็จะลองถามดู าาเรื่องนี้ตามาไม่ได้ยินแต่ว่าตามาก็เขาก็ให้เสืเสียตามามาหลายเล่มมาคดูเนี่ยตามาก็ยังมีอยู่หลายเล่มก็เอาแจกคนที่สนใจเามกแรกเขาจะเป็นจากญาติมอ่อะไรนอขาคุจเอ่อะมีอะไรมั้ย เชิญเถ้ามาตอบได้ก็จะตอบ ตอนหลังๆต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีปัจจัยอยู่2 ส, ส่วนหรือที่จริงการทําความดีหรือการทําเช่นการเรียนหนังสือการศึกษาพ้นคว้าเนี่ยปัจจัยสองอย่างหนึ่งปัจจัยปัจจัยผลักดันเช่นความทุกข์ความกลัวใช่ไหมความกลัวกลัวบาปก็ทําให้เราอยากจะทความดี หรือวความยากจนทําให้เราต้องขยันบังเทียนความทุกข์ความเจ็บป่วยทำให้เราต้องหันมาสนใจปฏิบัติธรรมความความรู้สึกผิดทําให้เราเนี่ยผักดันให้เราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาลาบากใช่ไหมอย่างคนนอนเป็นลมอยู่เนี่ยเราก็อยากจะเดินผ่านก็เรารีบแต่ถ้าเราผ่านไปเราก็รู้สึกผิดก็ทําให้เราต้องไปช่วยเขา ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าปัจจัยผักดันหรือว่าแรงผักการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีตรงนี้ด้วยเช่นความทุกข์หรือความกลัวว่าจะเกิดทุกข์ในวันข้างหน้าเช่นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่ปฏิบัติธรรมันนี่เดียวรับมือไม่ไหวอันที่สองแรงดึงดูดซึ่งทําให้เราเนี่ย อยากจะปฏิบัติทำด้วยความเต็มใจหรือทำให้เด็กๆอยากเรียนหนังสือค้นคว้าด้วยความเต็มใจเรื่อที่ไม่ได้ทำเพราะความกลัวถูกครูตีถูกลงโทษอันนั้นคืออะไรนั่นก็รยยก็ใช่ความสุขความภาคภูมิใจใช่ไหตรงนี้เนี่ยก็ต้อง หาให้เจอถ้าหายเจอแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแรงดึงดูดที่ทําให้เราเนิสั ย, ยจะปฏิบัติทำเมื่อกี้เราก็พูดเนี่ยเช่การนั่งสมาธิเนี่ยพวกเราทำเวลา5นาทีทําทุกวันทำทุกวัน จ, จิตใจเราเกิดความสงบแล้วก็อยากทําต่อแล้วก็เพิ่มเป็นหกสินาทีก็ต้องหายเจอตรงนี้แหะต้องมีสองอย่าง ปัจจัยแรงผลักกระแรงดึงแล้วก็ทำให้เจอหายเจอพระเจ้าตัดว่านี่พระเจ้าตัดเองนะสมัยว่าสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที <c oughs> ่ไม่ตัดสรู้เนี่ยเป็นโทษของกลาร และเห็นคุณของเนคขม่าสุขเนคขม่าสุขสุขที่เกิดจากการปล่อยวางคือเกิดจากการอยู่นะเนคมขม่าคือการออกจากกามวางห่างไกลาจากกามพวกนี้เลี่ยง่ายการปวยก็เช่นเดียวกันเรียกเนคขม่าได้ท่านเราเห็นแม้เราเมื่อเราเป็นโพธิสัตว์เราเห็นโทษของกามและเห็นคุณของเนคขม่าสุข แต่ใจก็ยังไม่น้อมตามใจก็ยังไม่เลื่อมใสใจก็ยังไม่ศรัทธาจนกระทั่งได้ได้สัมผัสกับได้คำมัสุขถึงตอนนั้นใจก็จะเลื่อมใสใจก็น้อมตามก็ใจกก็ศรัทธาได้คำมัสุขก็คือว่าสิ่งที่ความสุขที่เกิดจากการอยู่ออกจากการอยู่ง่ายเรียบง่ายสันโดษ เมื่อได้พบด้วยตัวเองได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยใจก็น้องตามคือต้องเจอเองต้องสัมผัสเองแค่รู้ยังไม่พอมีอไร่แบว่าแลอกเรื่องการมันยังรู้สึว่าคือถ้าเราเล่นคือเราเล่นห่งงานเรก็ได้เป็นเพื่อนแต่ยัรู้สึกว่ามันก็เลยรู้สึกวว่ามันได้ไปถ่าย เห็น <Okay. S 2> แล้วก็เจอด้วยต้องเจอทุกของกรรมเช่น อ, อ, อกหกักหรือว่าถิดหวังใช่ไหมหรือว่าเสียใจที่พัดพลา คิดไม่ได้น้อยไม่หล่าหรือว่าแต่งงานกันแล้วเกิดทะเลาบอะแว้งกันอะไรเงี้ยผู้เนี่ยถ้ามันเจอจะเจอเจองก็จะทำให้เห็นเห็นชัดก็ทําให้การที่มีเสนอน้อยลงอันนั้นก็อันหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องมีความสุขอย่างอื่นมาแทนที่ทหรือมาเสริมการ เพ่มความสุขจากชีวิตที่เงียบสงบความสุขจากจิตใจที่สงบมีสมาธิความสุขจากธรรมะคนเราต้องการความสุขถ้าได้สุขที่ปรนี่มันก็จะค่อยปล่อยวางความสุขทางกายซึ่งเป็นความสุขที่ยากแต่ถ้าไม่เจอความสุขที่ปณะนีเลยมก็จะกอดความสุขทางกามเอาไว้เพราะว่าไม่มีสุขอื่นมาแทนที่ใช่ไหม ก็เหมือนกับเด็กที่เจอแต่อิสครีมวอลก็กินแต่วอลนั่นแหละแต่เมื่อวันใดได้ได้ได้ลิ้มชิมรสฮาเกนดัสเนี่ยก็จเริ่มรู้สึกว่าวอลนี่ไม่อร่อยแล้วฮาเกนดัสดีกว่าใชนะหรือคนที่ฟังแต่ AM เนี่ยวิทยุเอเอ็นี่ยก็รูสึกโอ้เพลงลูกทุ่ง AM เอ็มเป็นเลิศแล้วพอได้ฟัง FM สเอ็มย FM มันดีกว่า AM เอเอริ่มก็ปล่อยวนะคนที่ฟัง FM เนี่ยก็ไม่คิดว่ามันมีเพลงอะไรที่เพราะไปมา ก, กว่าวิทยุเอจนกระทั่งได้ฟังดิจิตอลไใช่หมโอ้โหมันเพราะมากเลยนะใช่หหรือฟังเพลงลูกทุ่งแล้วไม่เคยฟังเพลงคลาสสิกนะพาฟังเพลงลูกทุ่งโอหูทุ่งนี่เพราะมากเพลงความไม่เพราะมากพอได้ฟังเพลงคลาสสิกโอ้โหมันเยี่ยมเลย ความอร่อยร่อยความยึดติดเพลงป๊อปเพลงบูกทุก็จะค่อยคายลงแล้วก็หันมาสนใจเพ็นคาสสิกมากขึ้นนี่มันมันต้องเป็นเรื่องของลาดับขั้นของความสุขที่เราต้องเจอเองคือคือพอพอเห็น้ว <American Hebrew> ่าเออาว่าเวลาทกสอนะบอกว่าความรักนะการเร แต่พเรีนเจอเองครับเราก็เลยรู้ว่ามันทุกขอย่างไรก็เลยบอกว่ามันแบเราสงตางๆนต้องเจอตัวเองก็เลยทาให้เราพยายามดูกับแหล่งาด้านจริงๆเราจะเจอแต่เราไม่สังเกตเช่นเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยเราก็เป็นทุกข์เมื่อได้อยู่ไกลเขาไม่ได้เจอเขาหรือถ้าเกิดเขาพูดไม่เพราะกับเราเราก็ทุกข์หรือว่าเขาไม่ไม่เหลียวแลเราเลย ไม่ทักเลยเลยแล้วก็ทุก็นั่นแหละทุกจากการเลยแต่เราจะไม่อาจจะรูไ้ไหมว่านั่นแหะคือสิ่งที่เรียกว่าทุกนะเพราะถ้าเราไอความสุจริตกรมเนี่ยมันมันจะเจอด้วยทุกตลอดเวลาพี่แต่เราจะรู้หรือไม่เราจะสังเกตหรือไม่เดีย๋ยว่าแต่การที่เป็นเรื่องทางเพศเลยไม่กทั่งอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยนะที่ ชอบฟังเพลงใช่ไหมมีเพลงไหนที่คุณฟังเกรอยครั้งเพลงอะไรก็หลายเพลงแล้วเกอรอยครั้งเหรอแล้วเพลงอื่นน่ะก็ฟังแล้วเคยรู้สึกเบื่อเพลงเนี่ยถ้านนฟัง่อยก็จะเอแต่พอประมาณวันกลับมาฟังใหก็จะรู้สึกดีอไอ้ความเบื่อน่แหละ ทุกอันนึงความทุกข์ที่เกิดจากการที่คุณได้เสฟมาบ่อยๆคุณก็จะเริ่มบวมแต่เรื่องอย่างเช่นการหนาะ ม, มรู้สึกว่ามันไม่ไมือนนอันเนี้ยเออเพราะอาแค่กามแบบความส ม, สมสรลองเศทศใช่ไหมเอาแค่ว่าเรารักใครสักคนแล้วเราเคยผิดหวังนะมหรือเราคึกว่าเราทุกข์เขาอ่ะ พราะเขาไม่สนใจเราเพราะเขาไม่เหลี้ยงแลเราเนี่ยมีไหมก็เป็นไปได้อ่าอันนั้นก็เป็นอันนั้นแหละคือทุกแหละแต่ว่ายังไม่บบาไอ้ยังนั้นยังไม่หนักท่านหนักคือว่าอบข่าวหรือว่าทล้องกันหรือว่าเราไม่เป็นตัวทางตัวเองเราต้องต้องตามเขาตลอดเวลาเราต้องพนอเขาตลอดเวลา อันนั้นมันก็คือทุกอันนหรือว่าเขาตายไปเนี้ยโหเราเสียใจจีไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละนั่นก็ทุกคือยังไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องอยู่ด้วยกันเลยก็ได้มีมีคนก็ได้ฟังเขาเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะเพียงแค่ได้เห็นหลังคาบ้านหนี้เขาก็มีความสุขแนละ้ว แล้ววันหนึ่งพิมกันั้นเนี่ยหลังกที่ได้คบกันพิมก็ให้รูปให้ลูกถ่ายมาแต่ก็ลูกถ่ายไปวางไว้ที่ที่ห้องนอนเวลาเห็นรูกถ่ายเขก็นึกนะอยากให้ลูกถ่ายนี่มันตัวจริงเหลือเกินให้ภาพถ่ายมันเป็นตัวจริงต่อมาได้แต่งงานกันอยู่ก็ได้สักพักเขาก็นึกเมื่อไหร่ตัวจริงจะกลายเป็นภาพถ่ายด้วยหรือวะ <laughs> นี่แหละทุกแล้ว กถึงจ ก, กัในในดิจิตชาติใช่ไหมเอ่อเป็นความคิดงี่เขาเป็นใช่ไงใช่นี้เาเาคิดว่าเกิดเขาไปเวก็เป็นการทร้ายาในเองเาก็เลยม่ปล่อยปล่อยก็คือว่าต้องการใช้ใ ช, ใช้กรรมอย่างพง่ายคืออันนี้เนี่ยถ้าถ้าตอบตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันยังมันยังไม่ใช่เป็นความคิดทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ผู้เจ้าตัสว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยใครก็ตามที่คิดว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะกรรมในดีเนี่ยอันนั้นท่านถือว่าเป็นความเชื่อ น, นอกพุทธศาสนาที่เราป่วยเนี่เป็นเพราะกรรมในดีชาติเนี่ยหรือที่เราร่ำรวยเพราะกรรมดีในดีชาติเนี่ยหรือที่เราได้แสนไม่ดีเพราะกรรมในดีชาติเนี่ย คิดแบบนี้เนี่ยเป็นความคิดนอกพุทธศาสนาไม่มีความเชื่อว่าเออาหะปุเพกตะเหตุว่วาชื่อมันมีชื่อความคิดแบบนี้ขึ้นมามีสามลทัทธิอีลัทธิหนึ่งเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นเพราะการดลบรรนันดาลของพระเจ้าอีกอันหนเพราะว่าสุขทุกข์ไม่มีสาเหตุงั้นที่ชาวพุทธเราเชื่อกันหลายอย่างเนี่ยมันเชื่อนอกพุทธศาสนาไอ้สอนพระเจ้าตรัส จับตัเองว่าโลกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเป็นเพราะอาหารก็มีเป็นเพราะอุตุอากาศก็มีเป็นเพราะเขเรียกว่าธาตุก็มีเป็นเพราะกรรมก็มีงั้นกรรมนี่เป็นแค่สาเหตุหนึ่งในบรรดาหลายสาเหตุของความเจ็บป่วย วันนั้นถ้าเจ็บป่วยแล้วเออาร์ะไรก็บอกกรรมเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกนะใช่ไหมอาจจะเกิดการอาจจะเ ก, กาิดจากาอ า, ากาศอาจจะเกาิดจากอาหารอาจจะเ ก, ากิดอะไรก็ได้เนี่ยคราวนี้ถามว่าเร า, เร า, เ, ราเราจะรู้ได้ไงว่าโรคนี้เกิดเพราะกรรมหรือไม่ก็ตอบยากวันนีอ้อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า AR ออะไรป่วยนี่เป็นเพราะกรรม หรือเป็นเพราะเจ้ากรรนาเ เรื่องเจ้ากรรมในเวรนี้เดี๋ยวนี้มันคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรสหลาดประหลาดลาย อ, อย่างอย่างมีหมอคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนเอาชื่อบอกชื่อหมอสมวนแกเป็นคนผักตันโครงการส0มสิบาทรักษาทุกโลคใช่ไหมตอนลังแกป่วยเป็นมะเร็มรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็มีความเชื่อในหมู่คนกล้าชิดว่าที่แก เป็นมะเร็งเพราะว่าเจ้ากรรมในเวทที่ไม่พอใจแกเนื่องจากผักดองโครงการสาบาทซึ่งช่วยให้คนหลายคนเนี่ยรอดตายเจ้ากรรมในของคนเหล่านั้นก็มาเล่นงานแกหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีความเชื่อว่าเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยอย่าไปช่วยคนใกล้ตายนะเพราะถ้าช่วยให้เขารอดเจ้ากรรมในเันจะไม่เล่นงานเรา ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยอย่าเป็นหมอเลยเพราะว่าเป็นหมอเนี่ยในงานก็ต้องช่วยคนใกล้าตายอยู่นะหรือว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราช่วยคนต่อไปเราเห็นคนประสบอุัติเหตุอยู่บนถนนเนี่ยเราก็ต้องขับรถาปเพราะถ้าเราช่วยเขาให้เขารอดเจ้าการในเบรของคนนั้นก่อน จ, จะไม่เล่น ง, งานเราเห็นคนกำลังจะตกน้ําตาย<ม>เห็นคนกำลังจะถูกผมขืน<ม>ก็อย่าช่วยเขาเพราะว่า<ม>เขากาลังใช้กรำ แล้วบ้านมืองจะเป็นยังไงใช่ไคือ<ม>ถ้าคน ช, ชอบชาวพุที่แบบนี้หมดนะอาตมาว่าอย่านับถือพูดยังดีกว่าอีกเพราะว่านับถือแล้วคนมันไม่ช่วยกันอ่ะไม่มีน้ำใจกันอ่ะใช่ไห ม, มทุกคนเอาตัวรอดเพราะกลัวเจ้ากัรมีเวรหมดนะ น, นะี่ยดมีาเ่นกรรมกรรมิคือรถีการงงเงยอะมากมีอ<ม>ีกลายหนึ่งนะ ธรรมากเกี่ยวข้องคนป่ยวยเยอะก็มีธรรมาไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งที่ต้อนครปถมแกเป็นมะเร็งที่คอนะเวลาแกคุยก็ต้องนอนแกต้องนอนเนี่ยเราคุยอรรมาก็ต้องก้มลงมาคุ ย, ยกับแกพยาบาลก็ดีนะดูแลแกจกนกระทังแกกลับไปบ้านได้กลับไปบ้ามีปัญหาไม่มีใครดูแลแกพยาบาลถามว่าแกมีมีที่มีน้องไหมมีม ที่อยู่ไหนที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมิ้ใกล้ๆพยาบางก็ไปคุยกับพี่ว่าพี่สาวว่ามาช่วยดูแลน้องหน่อยนะพี่สาวบอกว่าเขาต้องรับกรรมขเขาเองฉันก็จะ ป, ปฏิบัติธรรมต่อไปนะ <c oughs> คือควาเคีดอัเนี้คือว่าอาจจะคิดว่าหนึ่งเขาต้องรับกรรมขเขาเองเนี่ยถ้าเราไปช่วยเขาก็จะไปแทรกแซงกรรมเดี๋ยวเราสวยเดี๋ยวจะกรรมมีนเวรเขาจะไม่เล่น ง, งานเรา เดี๋ยวนี้คือพี่ไม่ช่วยน้องพอเห็นนี่มันก็มันก็ไม่ต้องพูดเรื่องไอ้เรื่องความมีน้ำใจความเมตตากรุณากันนะ้นองทีความเข้าใจเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมันเพี้ยนมากขึ้ น, นเรื่อยๆนะโอเคนะ